รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนเจริญสติอย่างคนช่างฝันกรณีเฉพาะตนของคาวาอาชีพเภสัชกรลักษณะางานที่ทำต้องร่วมมือกับแพทย์เพื่อให้คนไข้ใช้ยาอย่างเหมาะกับสภาพความเจ็บป่วยตลอดจนได้รับความปลอดภัยสูงสุด สิ่งที่ต้องทำเป็นประจำคือการพูดคุยทั้งกับแพทย์และผู้ป่วยความจริงเป็นคนชอบพูดคุยกับใครต่อใครแต่ลักษณะงานที่ทำอยู่บางครั้งก็ซ้ำซากน่าเบื่อเช่นต้องพูดให้คนป่วยเข้าใจว่าการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างไรกับการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บของพวกเขาบางครั้งอาจได้ตื่นเต้นเล็กน้อย เมื่อเจอกรณีที่ต้องวิ่งลงมาหาข้อมูลยาซึ่งต้องใช้ด่วนและหากช่วงไหนไม่ขี้เกียจนักก็จะเปิดหนังสือวิชาการหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมองานอดิเรกที่ชอบทายามว่างคืออ่านกับเขียนนิยายคำถามแรกที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงกลางวันที่ต้องทำงานจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ จะเกิดความรู้สึกตัวเล็กน้อยแบบเลือนรางก็ต่อเมื่อมีอะไรมากระทบแรงๆเท่านั้นเครื่องอยู่ของสติคือการบริกรรมพุโทโธในใจและสวดมนต์ตอนเช้าจะพอตามอาการกระเพื่อมไหวของจิตได้บ้างถ้าทำสมาธิได้นิ่งๆแล้วมาเจออะไรกระทบหูกระทบตาอยากถามว่าต้องปรับปรุงอย่างไรสติถึงจะเกิดขึ้นบ่อยกว่านี้ งานพูดคุยไม่ว่าอาชีพไหนสาขาใดถ้าขาดสติก็เบลอยาวแน่ๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทจำเป็นต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องซ้ำซากน่าเบือ่อหรือไม่ร้าใจมากพอบีบให้คุณอยากหนีไปคิดเรื่องอื่นแทนถ้าต้องทำงานด้วยความจำใจนานๆเข้าจิตจะปรุงแต่งวิธีทำงานขึ้นมาแบบหนึ่งคือตั้งสติไว้แค่ครึ่งเดียวเพื่อจัดการงาน แต่อีกครึ่งหนึ่งของสติจะหายไปฝากไว้ที่อื่นเช่นอาจแวบไปคิดถึงคนที่ผูกใจอยู่หรืออาจหลบหายไปในมิติมืดไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนี่เป็นไปตามธรรมชาติของจิตครับถ้างานไม่น่าสนใจพอจะดึงดูดจิตให้ติดทนจิตจะดิ้นรนแวบหนีงานหรือหลบงานในรูปของความเมื่อลอยสติขาดหาย เมื่องานส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับการพูดคุยโจทย์ก็ต้องเป็นว่าทำอย่างไรจะใช้การสนทนาให้เป็นโอกาสแห่งการเจริญสติไม่เปิดโอกาสให้จิตคอยแวบหนีไปสู่ภวังเมอคำตอบจากหลักการเจริญสติของพระพุทธเจ้าคือคุณต้องพึ่งพาอิริยาบถปัจจุบันเป็นหลักหมายความว่าก่อนเริ่มเจรจาใด ให้ปรับสติเข้ากับอิริยาบถปัจจุบันเช่นรู้สึกถึงท่านั่งแล้วค่อยพูดออกมาจากความรู้สึกตัวนั้นไม่ใช่เจอหน้าคู่สนทนาแล้วพูดเลยเหมือนอย่างที่เคยชินจากนั้นพอถึงจังหวะหยุดพูดจึงค่อยสังเกตอีกทีว่าคุณยังระลึกถึงอิริยาบถปัจจุบันได้ไหมหากหยุดพูดแล้วกลับมารู้สึกถึงอิริยาบถได้เองไม่ต้องใช้ความพยายาม ให้นับว่าคุณเป็นผู้มีสติในการพูดตามหลักการเจริญสติของพระพุทธเจ้าเพราะท่านให้รู้อิริยาบถหลักเพื่อต่อยอดเป็นการทราบความเคลื่อนไหวรงรองลงมาแต่หากพูดจบแล้เบลอเบลอเนื้อตัวหายและใจลอยหรือไม่ก็จับจ้องตั้งใจรอฟังคู่สนทนามากเกินจําเป็นอย่างนี้แม้มีสติในเรื่องที่พูด แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวในการพูดนอกจากยามพูดคุยแล้วยังมีจุดอื่นๆของงานที่เป็นโอกาสฝึกสติได้อีกอย่างเช่นจังหวะที่คุณหาข้อมูลยาด่วนซึ่งดูเผลอๆเหมือนตื่นตัวดีแต่สังเกตดูจะพบว่านั่นก็เป็นอีกช่องให้ขาดสติเพราะเป็นการตื่นตัวแบบที่สติหายออกไปข้างนอกหมด ไม่ใช่ตื่นรู้แบบที่ยังอยู่กับเนื้อกับตัวแต่อย่างใดที่คุณเล่าว่าต้องลงจากชั้นบนลงมานั่นก็นับเป็นโอกาสเริ่มฝึกสติได้แล้วครับเพราะอย่างไรก็ยังหาข้อมูลยาระหว่างเดินทางไม่ได้อยู่ดีแทนที่จะวิ่งหรือเดินเร็วแบบทิ้งเปล่าให้สังเกตใจตัวเองว่าตอนรีบจะไปไหนนั้น เหมือนใจจะพุ่งล้ําหน้าไปถึงที่หมายก่อนกายแล้วเพราะกายไม่เคยเร็วทันใจเอาเลยเมื่อใจพุ่งล้ําหน้ากายไปมากๆกายยอมถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนหายไปอยู่อีกมิติหนึ่งคุณควรดึงใจกลับมาอยู่กับกายโดยใส่ใจกายที่กำลังปรากฏอยู่ตามจริงและสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดของกายในขณะวิ่งหรือเดินเร็ว ก็คือฝ่าเท้ากระทบพื้นรู้ฝ่าเท้ากระทบอย่างเดียวนะครับอย่าไปรู้อย่างอื่นอย่าไปคิดพิจารณาให้เป็นธรรมะใดๆทั้งสิ้นการทำความรู้สึกถึงสัมผัสระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นก็คือหลักการเดินจงกรมเบื้องต้นนั่นเองเพียงแต่นี่ไม่ใช่การเดินจงกรมตามรูปแบบทว่าเป็นการเดินเหินตามปกติในชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้นมาหน่อยเดียวแค่รู้กระทบเท่านั้น ในที่สุดคุณจะถึงที่หมายด้วยคุณภาพจิตที่ต่างจากเคยพร้อมจะหาข้อมูลต่ออย่างใจเย็นและสามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลได้ดีกว่าตอนตื่นเต้นเยอะหลังจากมีสติในการพูดคุยและการรีบหาข้อมูลได้สักระยะหนึ่งคุณจะพบว่าไม่น่าอาจจัศจรรย์ใจเลยที่สติดีขึ้นผิดหูผิดตา ราวกับหลุดออกมาจากเมืองในหมอกและตรงนี้คุณจะย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับการบริกรรมพุทธโธกับสวดมนต์ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรการบริการมพุทธโธช่วยกักจิตของคุณไว้กับคำคำหนึ่งตายตัวเพื่อไม่ให้จิตแสบสายสุ่มคาขึ้นมาเองและเมื่อจิตไม่แสบสายก็ย่อมสงบสุขขึ้นมาชั่วขณะสั้นแต่แค่คาบริกรรม จะไม่ช่วยดึงคุณออกจากเมืองในหมอกได้เลยเพราะไม่ใช่ช่วยกำจัดต้นเหตุของเมฆหมอกแต่อย่างใดอีกข้อสังเกตหนึ่งงานอดิเรกเช่นการอ่านและเขียนนิยายนั้นอาจมีส่วนให้เมื่อลอยเพราะติดใจภาวะหลุดจากโลกความจริงไปสู่จินตนาการอันไร้ข้อจำกัดไร้ภาระรับผิดชอบจะเอาความสนุกแค่ไหนก็ได้ คุณไม่จำเป็นต้องสละงานอดิเรกทิ้งแต่ควรแทรกเรื่องจริงที่ให้แง่คิดไว้บ่อยๆด้วยเมื่อเขียนมากแล้วก็จะช่วยให้สังเกตโลกสังเกตผู้คนและสังเกตความจริงตรงหน้าละเอียดละ อ, อขึ้นกว่าเดิมซึ่งผลพวงก็คือลดอาการเหม่อได้มากครับ คำถามที่สองครูบาอาจารย์เคยถามว่าเห็นไหมว่ากายเป็นของหนักเป็นทุกข์ดิฉันก็ไม่เห็นตามนั้นเลยตอนที่เห็นสภาวะนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอมาคิดย้อนอีกครั้งก็รู้สึกว่าช่วงดังกล่าวเหมือนเห็นกายเป็นก้อนหนั ก, นกจริงแต่ไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์ที่ตรงไหนเลยสงสัยว่าหน้าที่ของเรามีแค่ดูไปเรื่อยสภาวะใดจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องคิด พิจารณาอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ถือว่าเข้าใจถูกและปฏิบัติใช้ได้หรื อ, อยังคนทั่วไปถูกอุปาทานห่อหุ้มอยู่จึงเห็นกายกอดกายกันล้วเป็นสุขแต่นักเจริญสติที่หมดอุปาทานหรืออุปาทานเบาบางลงแล้วยอมเห็นว่าไร้สาระ ที่จะเอาถุงใส่อึสองใบมาทับกันให้เป็นทุกข์เปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากายเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างมีหลักสังเกตคือกายนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าอุดมด้วยของไม่สะอาดเป็นเพียงกองปฏิกูลขนาดใหญ่ที่รวมตัวขึ้นจากของแข็งของเหลวลมเข้าออกและไออุ่นเน่าเหม็นหาความเป็นบุคคลไม่ได้วันหนึ่ง ต้องเสื่อมลงสู่กระจัดกระจายแยกย้ายตัวเป็นของศูนย์เปล่าหาความน่ายึดมั่นว่าเป็นสุขไม่ได้เลยเพื่อเข้าถึงความจริงดังกล่าวคุณจะคิดจินตนาการเล่นไม่ได้มิฉะนั้นจะเหมือนหลอกตัวเองว่ากายเป็นทุกข์ทั้งที่ความรู้สึกจริงๆคือกายเป็นสุขเป็นบุคคลเป็นตัวตน เป็นของดีที่น่าอยากให้ดำรงอยู่ น, น, นานๆทางที่ถูกคือให้เจริญสติมาตามลำดับรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถกระทั่งรู้สึกถึงกายตามจริงเป็นปกติแล้วอาศัยฐานตรงนั้นต่อยอดเป็นการเห็นความศักดิ์รีเป็นธาตุเป็นของศูนย์ในลำดับต่อไปครับ <ค> ร, รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนไม่แน่ใจไปหม ด, ดกรณีเฉพาะตนของจากอาชีพค้าขายลักษณะางานที่ทำเพิ่งเรียนปริญญาโทจบอย่างทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนักช่วยที่บ้านทำกิจการแต่ก็หางานข้างนอกไปด้วยเพราะไม่ชอบทำกับครอบครัว คำถามแรกที่บ้านไม่ได้นับถือพุทธและจนถึงบัดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่านับถือศาสนาไหนกันแน่เพราะยังตามไปเข้าพิธีทางบ้านอยู่เรื่อยๆกับทั้งยังไม่มีความรู้ทางพุทธมากนักและบอกตามตรงว่าสนใจการเจริญสติเพราะอยากศึกษาเปรียบเทียบกับหลักการทำสมาธิอื่นๆแต่ใจลึกๆก็อยากรู้ว่ามรรคผลนิพพานเป็นอย่างไร คำถามคือถ้ายังไม่ศรัทธาพุทธศาสนาเต็มร้อยอย่างผมมีสิทธิเจริญสติได้ถึงมรรคผลบ้างไหมถ้าเจริญสติเต็มที่ตามหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็ถือว่ามีสิทธิครับเพราะการจะได้มรรคได้ผลนั้นอยู่ที่ว่าคุณแกะจิตออกมาจากความยึดมั่นกายใจได้ไหมถ้าแกะออก ก็ถึงมรคลได้แม้ฟังธรรมะนาทีเดียวก็ถึงมรคลกันมาแล้วนักต่อนักแต่ถ้าแกะไม่ได้ก็หมดสิทธิ์แม้จะอ้างว่าศรัทธาพุทธศาสนาเต็มร้อยมากี่ปีหรือกระทั่งกี่ชาติก็ตามการเจริญสติเต็มที่ไม่อาจเกิดขึ้นโดยปราศจากศรัทธาเพราะศรัทธาก็คือแรงขับดัน เป็นแรงบันดาลใจให้คนคนหนึ่งทุ่มเทมากพอจะหวังความสําเร็จได้แต่ทิศทางที่จะศรัทธาแบบพุทธนั้นไม่ใช่ที่คุณตกลงใจกับตัวเองว่าเอาละ่ะฉันยอมเชื่อศาสดาองค์นี้แล้วท่านจะเป็นใครจับต้องได้ไหมไม่สําคัญเอาเป็นว่าท่านพูดอะไรฉันเชื่อหมดหัวใจของพุทธที่แท้มิใช่ให้ยึดตัวศาสดา แต่ให้รู้จักความจริงที่อยู่ติดตัวเราๆท่านๆ น, นี่เองศรัทธาในศาสนาพุทธก็คือการศรัทธาในความจริงทั้งความจริงขั้นต่ำที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและความจริงขั้นสูงสุดที่ต้องใช้ใจสัมผัสเอา9ก้าแรกสุดของศรัทธาคือการยอมลงให้กับเหตุผลเฉพาะหน้ายอมให้กับความจริงที่เห็นเห็นกันอยู่ก่อน มิฉนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นความจริงระดับสูงขึ้นไปกว่านี้เหตุผลเฉพาะหน้าได้แก่อะไรบ้างอย่าไปเริ่มโดยการพยายามพิสูจน์ความจริงด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ไหนให้ยุ่งยากเราต้องใช้วิธีรู้เฉพาะตนคือใช้ใจตนรู้ใช้ใจตนเป็นพยานเช่นหนึ่งถามตัวเองว่าถ้า ง, งกเกินไป ใจอึดอัดหรือสบายถ้ารู้จักให้ของส่วนเกินเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะจะเปิดใจให้สบายหายอึดอัดได้บ้างไหม 2. ถามตัวเองว่าถ้าต้องทำเรื่องหน้าละอายเช่นทำร้ายคนอ่อนแอช่อโกงคนซื่อเป็นชู้กับคนที่ผัวเผลอเมียเผลอโกหกคนสุจริตใจ ตลอดจนเมาอารวาสชกต่อยคนรอบข้างใจคุณเป็นสุขหรือเป็นทุกข์และยิ่งถ้าประพฤติเรื่องน่าละอายบ่อยๆจะมีผลให้เห็นอะไรบิดเบี้ยวจากความเป็นจริงเห็นผิดเป็นชอบได้แค่ไหน 3. ถามตัวเองว่าการสูญเสียคนรักหรือของห่วงไปนั้นจัดว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุข แล้วมีคนรักและของห่วงใดในโลกบ้างที่คุณจะสามารถรักษาไว้ตลอดไปและในเมื่อคุณจะต้องพากจากทุกสิ่งไปวันยังค่าถ้าใจปล่อยวางคนรักและของห่วงเสียได้จิตจะสบายหรืออึดอัดคุณได้ชื่อว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะการปล่อยวางพุทธศาสนาชี้ตรงนี้ครับชี้ที่ใจ จี้ให้เห็นกันชัดๆว่าทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นผิดๆอยู่ตลอดเวลาอยากได้ความสุขแต่กลับก่อเหตุที่จะได้ผลเป็นทุกข์ไม่วันนี้ก็วันหน้าเพียงเพราะหลงยึดเครื่องล้อใจต่างๆได้อะไรมาก็ตรณีและหวงแหนไว้ยังไม่ได้อะไรมาก็โลภจะเอาให้ได้เกินตัวแม้กายกับใจอันปรากฏอยู่ตามปกติของมัน แทนที่จะตามรู้เพื่อเห็นความจริงก็ตามยึดเพื่อประสบแต่ความเท็จผู้มีจิตเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยความโลภความโกรธและความหลงเพราะหลุดพ้นจากอุปาทานแล้วแทงทะลุไปถึงความจริงขั้นสูงสุดแล้วถอนความรู้สึกติดข้องแม้ในกายใจนี้ได้แล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นสุข ไม่ต้องทนทุกข์แม้สูญเสียเครื่องล่อให้หลงรักหลงห่วงหลงยึดมั่นถือมั่นอีกเลยเมือ่อคุณมีเหตุผลมากพอจะเจริญสติรู้ความจริงตรงหน้าอย่างเต็มท <Yeah> ี่ชนิดไม่โลเลไม่กลับไปกลับมาและไม่คิดยอกย้อนเป็นอื่นจิตของคุณก็จะพร้อมรู้ตามจริงไม่ใช่รับรู้ตามการบอกเล่าที่สืบสืบกันมา ศรัทธาแบบพุทธเป็นศรัทธาที่โปร่งใสสืบหาเหตุผลที่มาที่ไปได้เข้าถึงความจริงตรงหน้าได้ไม่ต้องพิสูจน์ความจริงกันหลังความตายถึงจุดหนึ่งของการทำจิตให้เป็นพุทธแท้คุณจะรู้สึกเหมือนยือนอยู่ในที่โลง่งเห็นทุกสิ่งโดยปราศจากเครื่องปิดบังอย่างสิ้นเชิงประสบการณ์การมีชีวิตจะแปลกและแตกต่างไป กายใจเป็นเพียงเปลือกอันว่างเปล่าแม้เหมือนโลกนี้ยังอยู่กับคุณตอบโต้กับคุณก็คล้ายฝันผ่านไม่มีตัวคุณติดอยู่กับความฝันอีกต่อไปเพราะจิตตื่นแล้วรู้แล้วปราศจากอุปาทานห่อหุ้มแล้วลองเปลี่ยนไปอีกมุมมองเพื่อเปรียบเทียบ ถ้าปักใจเชื่อว่าตัวคุณและโลกนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยมือใครและหลังตายดับก็จะมีกายทิพย์ที่เป็นตัวคุณไปจนชั่วนิรันต์ต้องวางใจเชื่อผู้สร้างเท่านั้นจึงจะเข้าถึงผู้สร้างได้ก็คงแน่นอนว่าความรู้สึกของคุณจะไม่มีวันจูนติด ก, กับความจริงตรงหน้าได้เลยคุณจะเอาแต่เชื่อออกนอกตัวอย่างเหนียวแน่นขึ้นทุกทีว่า มีตัวตนอมตะอยู่ตัวหนึ่งเป็นความจริงแท้หลังความตายพลาดการเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนในอะไรสักอย่างเดียวเพราะมีชีวิตเพื่อรอคอยที่พยสุขตามสัญญาในอนาคตไม่ใช่เพื่อสังเกตความจริงในปัจจุบันสรุปสั้นๆคือศรัทธาแบบพุทธคือการเชื่อเพื่อลองทำต่างจากศรัทธาแบบเชื่อเพื่อรอคอย คุณจะมีศรัทธาแบบใดไม่ใช่ด้วยการประกาศตัวหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับใครแต่อยู่ที่พฤติกรรมทางจิตอันมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันต่างหากคำถามที่สองถ้าผมยังต้องทำบาปอยู่จะเจริญสติได้ไหมครับดูแล้วผมคิดว่าทั้งตัวเองและคนอื่นยังต้องทำบาปไม่มากก็น้อย แล้วจะหวังผลสำเร็จจากการเจริญสติได้หรอบาปมีหลายแบบครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยอย่างเช่นถ้าคุณเล่นหมากรุกคำว่าบาปในวงการหมากรุกอาจหมายถึงการปล่อยให้คู่ต่อสู้หลุดรอดไปได้ทั้งที่ตกเป็นลูกไก่ในกำมือคุณอยู่แล้วแท้ๆแต่บาปในแบบพุทธนั้น คือการเบียดเบียนผู้อื่นและกระทั่งตนเองให้ได้รับความเดือดร้อนแม้จะมีโอกาสห้าหันศัตรูด้วยความชอบธรรมก็จัดเป็นบาปถ้าไม่ปล่อยให้เขาหลุดรอดไปเราอาจเข้าใจง่ายๆว่าบาปคืออะไรโดยดูกันที่จิตถ้าจิตถูกความโลภความโกรธและความหลงครอบงำอย่างแรง กระทั่งผิดศีลผิดธรรมได้โดยขาดความยั้งคิดกับทั้งไม่สำนึกผิดในภายหลังนั่นแหละคือบาปเต็มขั้นและบาปก็ให้ผลเป็นการขวางการเจริญของสติเพราะบาปย่อมกระทำจิตให้แปดเปื้อนมืดดำคิดเอาแต่ได้ไม่คิดสละออกและไม่พร้อมจะรับรู้ความจริงตรงหน้าแต่ถ้าบาปอยู่ในระดับอ่อ น, ออน เจือด้วยความโลภความโกรธความหลงนิดหน่อยไม่หนักหนาขั้นผิดศีลผิดธรรมร้ายแรงอย่างนี้ก็พอจะสว่างกันได้ครับเพราะไม่ถึงขั้นกดสติให้หมดสภาพอย่างสิ้นเชิงจริญสติจนรู้ว่าอย่างนี้กุศ ล, ลจิตสว่างสบายอย่างนี้อกุศ ล, ลจิตมืดมนอึดอัดคุณจะทราบตามจริงว่าจิตแบ่งเป็นช่วงช่วง แต่ละดวงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่มีตัวคุณที่เป็นคนดีหรือคนเลวอย่างถาวรตรงนั้นจะรู้ว่าดีเลวต่างเป็นภาวะที่เอาไว้ระลึกว่าเกิดเพราะเหตุเดียวหนึ่งแล้วมีอันต้องสลายตัวไปคุณจะไม่ใช่พระเอกหรือผู้ร้ายแต่จะกลายเป็นพระที่ไร้ใบหน้าเฝ้าดูพระเอกและผู้ร้ายเกิดแล้วตายไปหลายต่อหลายคน จะเป็นใครทําอาชีพใดมีมนฑินอยู่มากน้อยแค่ไหนผมก็สนับสนุนให้หันมาเจริญสติบ้างอย่ารอเป็นคนดีสมบูรณ์แบบแล้วค่อยเจริญสติเพราะการเจริญสติจัดเป็นบุญเหนือบุญทั้งปวงถ้าเจริญสติเส้นหน่อยอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าดีกว่าสะสมบาปอย่างเดียวแน่ๆครับ พิเศษวันวิสาขะบูชาวันมหามงคลงแห่งไตรภูมิพี่รมสิ้นความไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสรามีมนเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ หรืออีกนายหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่สุดตลอดกาลทันทราบไหมว่าคนในโลกมักนึกถึงอะไรหากเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็อาจนึกถึงการเกิดโลกนี้ขึ้นมาเมื่อ 4,000 กว่าล้านปีก่อนเพราะนั่นเป็นโอกาสเกือบหนึ่งในแสนล้านท่ามกลางมหาจักรวาลอันเกลื่อนดาวนับอ น, น, นันต์นี้ที่จะมีสถานที่รองรับสิ่งมีชีวิตระดับสูงอย่างมนุษย์เรา แต่ถ้าเป็นนักการศาสนาก็ต้องนึกถึงการอุบัติขึ้นของพระาศาสดาแห่งศาสนาตนเพราะนั้นคือโอกาสเดียวที่ความมืดในโลกจะถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างความไม่รู้จริงจะถูกแทนที่ด้วยความรู้แจ้งพุทธเราก็เช่นกันไม่มีเหตุการณ์ใดอีกแล้วที่จะมาเทียบเสมอกับการอุบัติของพระพุทธเจ้าผู้กระทำทุกข์ของตนให้สิ้นสุดก่อน และจึงเผยแผ่วิธีดับทุกข์แกมหาชนและปวงเทพการอุบัติของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นการอุบัติในเบื้องต้นคืออยู่ในรูปของการเกิดมาเป็นกูมารมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาด้วยเหตุเพียงใดพระพุทธเจ้าก็เริ่มนับหนึ่งจากเหตุเพียงนั้นมิใช้เทพพ ย, ยดาชะลอเลื่อนลงมาจากป้ากป้าแต่อย่างใด หากขาดซึ่งเลือดเนื้อของความเป็นสามนมนุษย์แล้วก็จะไม่มีการเติบโตขึ้นสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ได้เลยในฐานะมนุษย์ธรรมดาก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นเจ้าชายนามว่าสิท ธ, ธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกลุงก บ, บิลพัทกับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ขึ้น15บ้าค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีนับเป็นการถือกำเนิดที่มีความหมายมากกว่าการเกิดมาของใครอีกคนหนึ่งเพราะนี่ไม่ใช่การเกิดมาเพื่อถามตัวเองว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรดีแต่เป็นการเกิดมาเพื่อถามตัวเองว่าจะทำทุกข์ให้พินาฏไปได้อย่างไรกันถัดจากการอุบัติในเบื้องต้น ก็คลี่คลายมาเป็นการอุบัติในเบื้องปลายในรูปของการบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลุดพ้นจากอุปาทานดับทุกขทางใจได้สนิทชนิดไม่กลับกำเริบอีกเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าจำนวนเท่าเม็ดทรายในท้องสมุด ต, ตลอดอนันตการที่ผ่านมาสำหรับชาวพุทธเรานั้น จำง่ายว่าจะระลึกถึงการอุบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อใดเพราะทั้งวันประสูติและวันสำเร็จอรหัตผลด้วยพระองค์เองนั้นเป็นวันเดียวกันประหนึ่งให้พวกเราได้ระลึกในคราวเดียวว่าวันเกิดพระพุทธเจ้ามีอยู่วันเดียวไม่ว่าจะนับจากกายเนื้อหรือกายธรรมพระองค์ตรัสรู้แจ้งหมดกิเลสหมดทุกทางใจโดยสิ้นเชิง เป็นพระอรหันต์ด้วยพระองค์เองเมื่อพระชนมายุ35หพรรษาณใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์ฝั่งแม่น้ำเนรันชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในตอนเช้ามืดวันพุธขึ้น15บ้าค่ำเดือน6ปีรากาก่อนพุทธศักราช45ปีนับเป็นของขวัญวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพระองค์เองและเป็นของกำนันชิ้นใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษยชาติโดยรวม ยิ่งไปกว่านั้นวันดับขันทปรินิพานหรือวันเวลาที่พระพุทธองค์ส่งทิ้งโลกนี้เข้าสู่มหานลรอพานประดุดสายน้ำสายหนึ่งไหลเข้ารวมเป็นหนึ่งกับมหาสมุทรก็ยังเป็นวันเดียวกับวันประสูติและวันตรัสรู้อีกด้วยพระองค์เสด็จดับขันทัปรินิพานเข้าถึงวิมุตติสุขอันปราศจากเครื่องปรุงแต่งเมื่อพระชนมายุได้80พรรษา ในวันอังคารขึ้น15บ้าค่ำเดือนหปีมะเสงณสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราแควนมัลละนับเป็นการสูญเสียพระกรัจกายแห่งองค์ท่านแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความตั้งมั่นถาวรแห่งองค์พระศาสดาในศาสนาเราเพราะนับแต่นั้นสืบมาคำสอนของพระองค์ก็จะเป็นตัวแทนท่านไปจนชั่วนิรัน เป็นอันว่าพุทธเราได้ระลึกถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาทั้งการมาและการไปของพระพุทธองค์เบ็ดเสร็จครบบริบูรณ์ในวันเดียวและวันดังกล่าวก็รวมเรียกว่าวิสาขบูรณมีบูชาย่อลงเหลือวิสาขบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาข อ, อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย และตรงกับวันเพนเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งก็มักจะเป็นพฤษภาคมหรือมิถุนายนผู้คนทั้งหลายยอมรับตรงกันในระดับโลกว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้าสลักสำคัญยิ่งเห็นได้จากที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ที่มาของการยอมรับนี้เริ่มจากการเสนอของประเทศสีลังกาและมีมติเป็นเอกฉันในที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542โดยให้เหตุผลว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้คนจากทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธนอกจากนั้นพระองค์ยังเป็นศาสดาผู้สั่งสอนทุกคนด้วยพระปัญญาแจากแจงเหตุผลโดยไม่คำนึงถึงสิ่งตอบแทนใดๆจากปวงชนนอกจากเหล่ามนุษย์แล้วทวยเทพอันเป็นเวนยสัตว์นับแต่ชั้นกามาวจร ไปจนกระทั่งพบแห่งรูปประพรมต่างก็ได้สิทธิในการเจริญสติจนบรรลุธรรมพ้นทุกข์พ้นภัยจากสังสารวัฏเพราะการอุบัติเพื่อชี้ทางของพระพุทธองค์และแม่อรูปประพรมผู้มีเพียงจิตก็ยังมีสิทธิอนุโมทนาด้วยมหาสมนัดกับการอุบัติแห่งพระองค์ท่านสร้างกระแสนำร่องให้ถูกทิศถึงนิพพานในการต่อไปฉนั้นสาหรับ ผู้ได้ยานอย่างรู้ว่ายังมีภพภูมิอยู่มากกว่าโลกนี้ย่อมไม่เห็นวันวิสาขาบูชาสําคัญเพียงระดับโลกแต่ถือเป็นวันมาหามงคลระดับไตรภูมิแสงสว่างสูงสุดอันเป็นธรรมมาพิสมัยบังเกิดขึ้นหนึ่งเดียวในอนันตจักรวาลณนะวันนี้ในอดีตจึงไม่อาจถือเอาจุดตัดแห่งเวลาวันเดือนปีใดสูงส่งเหนือไปกว่านี้ได้อีกแล้ว ปีติอันเกิดจากการระลึกถึงความจริงข้อนี้มีประมาณใดก็ขอให้ได้เป็นปัจจัยแห่งนิพพานได้มากมายประมาณนั้นในแต่ละท่านเถิ ด, ทดทบทความจาก นิยยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่42อ่ียนลองอ่านโดยโจโฉ